สามารถติดตามอ่านหนังสือของหลวงพอ่อปราโมทและดาวหลวดเสียงเทศนาธรรมของท่านได้ฟรีที่ www.imu-ti.net หรือไปรับหนังสือและซีดีได้ที่บ้านอารีโทรศัพท์022797838หรือขอรับทางไปรษณีย์ได้ที่เว็บไซต์ c d t h a m a c o m และลานธรรม .net จะเพียงน้องใจไปสู่ฟังฝากโน้นกําแพงกลางตรงานลอลวงจุดพรังให้ท้อกายใจจะทนปีนขึ้นไปแม้มือแตกกร้าวพังอยับเยินเศร้าซึมเมื่อเลี้ยวแลกัร ความน่ากลัวที่เคยจองจำลึกล้ำในอดีตเยื่อใ่ที่ฟังลึกกินใจหมดสิ้นกันที่